สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่20พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่20ข้อ 35.1 ข้อ43ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุตรของผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งกล่าวกับเพื่อนตามพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าทําร้ายข้าพระเจ้าเถิดแต่คนนั้นปฏิเสธ ผู้เผยเพรจนะจึงกล่าวว่าเพราะท่านไม่ได้เชื่อฟังองค์พระพู้เนเจ้าสิงโตตัวหนึ่งจะฆ่าท่านทันทีที่ท่านจากข้าพระเจ้าไปเมื่อคนนั้นเดินจากไปก็มีสิงโตออกมาทําร้ายเขาถึงแก่ชีวิตแล้วผู้เผยเพรจนะนั้นกล่าวกับอีกคนหนึ่งว่าทําร้ายข้าพระเจ้าเถิดเขาก็ทําตามและทําให้ผู้เผยเพรจนะนั้นบาดเจ็บ ผู้เผยพรชนะนั้นเอาแถบผ้าปิดตาเพื่อปลอมตัวแล้วไปยืนคอยเฝ้ากษัตริย์อยู่ริมทางขณะที่กษัตริย์เสด็จผ่านมาผู้เผยพรชนะถูนว่าข้าพระบาทไปรบมีคนเอาตัวเฉลยมาฝากข้าพระบาทบอกว่าคอยดูคนนี้ให้ดีถ้าเขาหนีไปเจ้าจะต้องตายหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินมา ประมาณ34กิโลก ร, รมัมหรือหนึ่งตรานขณะที่ข้าพระบาทกำลังง่วนอยู่กับธุระอื่นฉเฉลยคนนั้นก็หายตัวไปแล้วกษัตริย์อิสราเอลตรัสว่าดีแล้วนี่เป็นความผิดของเจ้าเองเจ้าต้องชดใช้แล้วผู้เผยเพรชนะดึงแถบผ้าที่ปิดตาออกกษัตริย์อิสราเอลก็ทรงจําได้ว่าเป็นผู้เผยเพจนะคนหนึ่ง ผู้เผยเพระเจะนะจึงทูลกษัตริย์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเนื่องจากเจ้าไว้ชีวิตผู้ที่เรากำหนดให้ตายฉะนั้นเจ้าจะต้องตายแทนเขาและประชาชนของเจ้าจะต้องพินาศแทนประชาชนของเขากษัตริย์อิสราเอลจึงเสด็จกลับสู่ที่ประทับในสมาเรียด้วยความกริ้วและขุนเคืองพระทยัยพี่น้องครับ เราเจะเห็นถึงสังคมของผู้เผยพรจนะหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าสมัยนั้นมีผู้เผยพระนะที่มีชื่อเสียงหรือเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้แล้วก็มีสำนักผู้เผยพรจนะซึ่งสอนซึ่งเป็นคอมมูนิตี้หรือสังคมที่พวกผู้เผยพชนะนั้นได้ถูกฝึกขึ้นมาถ้าเปรียบกับสมัยนี้นะครับก็คือ บรรดาโรงเรียนคริสตธรรมทั้งหลายแะครับฉะนั้นในข้อ35มสเริ่มต้นว่าคําว่าบุตรของผู้เผยพจนะได้กล่าวกับเพื่อนของตนอันนี้เป็นสำนวนครับเป็นสำนวนที่สื่อถึงสมาชิกในกลุ่มของผู้เผยพจนะหรือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของผู้เผยพจนะใหญ่คําว่าบุตรนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกเพศ ช, ชายนะครับหรือเป็นลูกชายหรือเชื้อสายแต่หมายความว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม เห็นได้ว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับเป็นผู้เผยพระชนะซึ่งเป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นชุมชนแบบนี้ครับเป็นชุมชนที่อบรมสั่งสอนปลูกฝังประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นไปได้ครับที่พวกเขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เผยพระชนะเนื่องจากการปฏิบัติตนทางศาสนาก็คือการฝึกการเผยพระนะพวกนี้ก็ พอจบออกมาหรือพอที่ออกมาจากสำนักนั้นพวกเขาก็ทําตัวเป็นผู้เผยเพรชนะหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เผยเพระชนะปรากฏว่าเรื่องราวเกิดขึ้นครับก็คือมีคนหนึ่งในกลุ่มนั้นบอกว่าบอกกับเพื่อนเขานะครับบอกว่าทําร้ายข้าพเจ้าเถิดแต่คนนั้นปฏิเสธผู้เผยเพรชนะจึงกล่าวว่าเพราะท่านปฏิเสธเพราะท่านไม่ได้เชื่อฟังองค์ผู้เป็นเจ้า สิงโตตัวหนึ่งจะฆ่าท่านทันทีที่ข้าพเจ้าจากไปหรือท่านจากข้าพเจ้าไปคนนั้นเดินทางไปก็มีสิงโตออกมาทำร้ายเขาถึงแก่ชีวิตพี่น้องครับตรงนี้เราได้บทเรียนชัดเจนครับว่าแม้ว่าการทำร้ายเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าต่างหาก พี่น้องครับการที่เพื่อนไม่ยอมทำตามย่อมเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ครับแต่ก็เป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและด้วยเหตุนี้เองด้วยเหตุเรื่องความสำคัญของงานที่จะทำเพื่อนที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนจึงต้องพบกับความตายและพระเจ้าก็ใช้สิ่งอีกครั้งหนึ่งในการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสาเร็จถ้าเราเปรียบเทียบกับบทที่13ข้อเราก็จะทราบครับ พี่น้องคงจําได้ใช่ไหมครับว่าคนของพระเจ้าที่ไปทูลกษัตริย์ครับว่าแม้ฝ่าพระบาทจะประทานล่าสมบัติให้กึ่งหนึ่งท้าพระบาทก็ไม่กลับไปกับฝ่าพระบาททั้งจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําในสถานที่นี้เพราะองค์เจ้าได้ตัดบัญชาข้าพระเจ้าว่าห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําหรือกลับไปตามเส้นทางที่มาพี่น้องคงจําได้และผู้ผู้ที่เป็นคนของพระเจ้าคนนี้นะครับได้พบกับผู้เผย พระจนะชาราซึ่งผู้เผยพระเจาพระเทชราผู้นี้นะครับเป็นคนโกหกโกหกว่ากินเถอะและในขณะที่ทั้งสองนั้นกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะก็มีดํารัด จ, จากองค์พระนเญ้ามาถึงผู้เผยพระจนะชาราซึ่งพาเขากลับมานั้นได้บอกว่าเนื่องจากว่า เจ้าได้ฝ่าฝืนคำตรัสขององค์พระเจ้าและไม่ทำตามพระบัญชาของพระยาเวเจ้ากลับมากินดื่มในสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสห้ามไว้ดังนั้นร่างของเจ้าจะไม่ได้ถูกฝังในอุโมงค์ของบรรพบรุษเสร็จแล้วครับผู้เผยพระชนะที่พาเขากลับมาก็ส่งเขาขึ้นลากลับไประหว่างทางก็มีสิงโตออกมาฆ่าเขานั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่ตรงกัน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนึ่งพงศษัตร์บทที่20นี้หวังว่าพี่น้องคงจำได้และกลับไปอ่านดูนะครับเราจะเห็นความระไม้คล้ายคลึงระหว่างพระกัมพีทั้งสองตอนนี้ก็คือสิงโตสิงโตนั้นเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่จะลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อฟังจากทั้งสองเหตุการณ์นี้นะครับเราสามารถสรุปบทเรียนที่สาคัญมากๆสําหรับพวกเรา ซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือบรรดาผู้นำของกิจจักพี่น้องครับระหว่างความสัมพันธ์กับการเชื่อฟังพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันกับการเชื่อฟังพระเจ้าหลายครั้งเราเลือกผิดครับเราเลือกที่จะประนีประนอมระหว่างความจริงของพระเจ้าพระดำรัดของพระเจ้าคำตรัณบัตถัยของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระเจ้ากับความสัมพันธ์ หลายครั้งทีเดียวเรามองเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มากกว่าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่จะอยู่ในน้ำปันไทยของพระเจ้านั่นคืออันตรายและซึ่งตรงนี้เองนำไปถึงความประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องทั้งหลายเราจะเห็นนะครับการประนีประนอมกับโลกก็ไม่สมควรทาการประนีประนอมระหว่างการเชื่อฟังพระเจ้ากับความสัมพันธ์มนุษย์กับมนุษย์ ก็ไม่สมควรทำเช่นเดียวกันบทเรียนที่2ในเช้าวันนี้ก็คือเราต้องเห็นว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดพี่น้องเราเห็นว่าอาหับนั้นรีบสรุปตัดสินความผิดของผู้เผยพรชนะที่ปลอมตัวเป็นทหารพี่น้องครับผู้เผยพชนะนั้นได้ให้เพื่อนเขาทุบตีใช่ไหมครับเพื่อนคนแรกไม่ทุบตีโดนสิงโตฆ่าตาย เพื่อนคนที่สองนั้นทุบตีครับทําให้เขาต้องพันแผลการที่ทําให้ตัวเองบาดเจ็บเพื่อไปเสริมน้ำหนักหรือว่าให้น้ำหนักกับการเผยพระชนะของตนเองต่อนหน้ากษัตริย์อาหับเมื่อกษัตริย์อาหับนั้นได้ยินเรื่องราวอุปมาอุปไมยที่กลายเป็นการเผยพระฉนะได้บอกว่าข้าพบาทไปรบมีคนเอาตัวเฉลยมาฝากข้พาพบาทไว แล้วก็บอกว่าคอยดูคนๆนี้จะดีถ้าเขาหนีไปเจ้าจะต้องตายหรือไม่จะต้องจ่ายเงินมาประมาณ34กิโลกรัมเท่ากับ1ตลันครับขณะที่ขาา้าพบัตมง่วนอยู่กับธุระอื่นฉเฉลยคนนั้นก็หายตัวไปแล้วกษัตริย์อาหับก็เลยตัดสินครับบอกว่านี่ดีแล้วเป็นความผิดของเจ้าเองเจ้าจะต้องชดใช้พี่น้องครับอาหับหารู้ไม่ว่าคาพูดตรงนั้นกลายเป็นการกล่าวโทษตัวเองครับ เหมือนกับที่นาธานนั้นได้กล่าวโทษ ด, ดาวิดและดาวิดก็สรุปและกล่าวโทษตัวเองกษัตริย์ตอบว่าคําพูดของเขานั้นผูกมัดลงโทษตัวเองผู้เผยพิะวจนะก็เลยเผยตัวเองออกมาและกล่าวถึงการที่กษัตริย์จะต้องรับผิดชอบในการละเลยไม่เชื่อฟังพระเจ้าและไม่ฆ่าเบนหาดัตนี่แหละครับคือประเด็นที่สําคัญครับ อาหับนั้นเป็นนักการเมืองครับนักการเมืองแน่นอนครับย่องคำหนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองของพรรคพวกและพวกพ้องแต่ว่าอาหับนั้นเลือกที่จะไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าพระเจ้านั้นได้มอบเบนฮาดัดให้อยู่ในมือของเขาแต่เขานั้นก็กลับปล่อยเบนฮาดัดไปและแถมยังเรียกเขาขึ้นมาร่วมรถอยู่ในราชรถเดียวกันด้วย พี่น้องครับเราไม่รู้เหตุผลแน่ชัดว่าทําไมอาหับจึงปล่อยเบนหาดัดไปแต่รู้ครับว่าเป็นการเมืองล้วนๆครับอารามหรือว่าเบนฮาดัดนั้นเบนหาดัดเป็นชาวอารามนะครับสร้างปัญหาให้กับอิสราเอลเยอะแยะมากมายพระเจ้าก็ช่วยอาหับในการทําลายกองทัพอารามเพื่อพิสูจน์ให้อาหับและชาวอารามเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้านะครับไม่เพียงแค่พระเจ้าแห่งขุนเขาแต่ว่ายังสามารถเป็นพระเจ้า แห่งที่ราบได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับอาหับไม่ได้ทําลายกษัตริย์ซึ่งเป็นศัตรูคนที่สําคัญที่สุดของเขาพระเจ้านั้นได้พิพากษาให้เบนฮาดัดตายและอาหับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไว้ชีวิตของเขานี่แหละครับคือสาเหตุที่พระเจ้าบอกกับอาหับว่าเขาจะต้องตายแทนเบนฮาดัดครับไม่ช้าคําทํานายนี้ก็เป็นจริงเพราะอาหับนั้นตายในสนามรบในบทที่22 อ า, อาหับซึ่งเป็นผู้นํานะครับต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าในเรื่องนี้ในที่สุดเจ้าจะต้องตายแทนเขาและประชาชนของเจ้าจะต้องพินาศแทนประชาชนของเขาเพราะเนื่องจากอาหับทาบาปในฐานะกษัตริย์โทษจึงไม่ได้ตกอยู่กับอาหับเพียงคนเดียวแต่ตกอยู่กับประชาชนในอนาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือด้วย อาหับตายในสงครามต่อสู้กับพวกอารัมนะครับและอิสราเอลก็ต้องอับอายขายหน้าอย่างยิ่งเพราะชาวอารัมที่เขาไม่ทำลายนั่นแหละครับคือประเด็นที่สำคัญครับพี่น้องครับผมอยากจะสรุปประเด็นรวบยอดครับว่าการเชื่อฝั่งพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ควรจะประนีประนอมแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงพรรคพวกด้วยกันอามน